ฟังกันเรื่องการสร้างความตั้งมั่น ของจิตคือการนั่งสมาธิมันก็ได้ทั้งสมถะแล้วก็คือจุดที่สำคัญของสมถะอย่างที่ผู้เจ้าจัดก็คือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเรามาเอาความตั้งมั่นของจิต ส่วนความสงบเนี่ยมันมาจากการวางขันเป็นขณะเอ า, อางี้แล้วกันจนกว่าจะถึงที่สุดเพราะฉะนั้นในการเข้ามานั่งสมาธิเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกก่อนคืออย่าเอาความสงบเป็นที่ตั้งในการนั่งสมาธิเนีอย่าเอาความสงบเป็นที่ตั้ง หรือเอาความสงบเป็นจุดมุ่งหมายเพราะว่าทุกคนเวลานั่งสมาธิก็จะนึกถึงว่านั่งสมาธิก็ต้องให้เงียบให้สงบทีนี้ถ้าวันไหนนั่งได้เงียบแล้วก็สงบเหตุปัจจัยถึงพร้อมก็จะรู้สึกว่าวันนั้นนั่งได้ดีแต่ถ้าวันไหนนั่งแล้วมันไม่สงบก็จะรู้สึกว่าวันนั้นนั่งไม่ได้ดีไปเข้าคอสไหนแล้วสงบก็ว่าคอสนั้นดีทีนี้มันไม่ได้ เกี่ยวข้องกันโดยตรงทีเดียวสงบดีอยู่แล้วนะแต่สงบเนี่ยมันมีคือการที่เราจดจ่ออยู่กับอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมานะเมื่อเกิดความเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาเนี่ยความสงบมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเช่นการนั่งถักอะไรเาเรียก k n i ต t i n g หรือโค o c h อะไรเงี้ยนะมันก็ เกิดสมาธิแต่ข้างในจะสงบแล้วไม่สงบก็เกิดสมาธิในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างบางคนก็ใช้วิธีวาดรูปมันก็ได้เหมือนกันแะแต่ว่าสังเกตไม่เราว่ามันศิลปินไม่ว่าจะประเทศไหน เขาก็ไม่ได้ทำสมาธิได้ยอดเยี่ยมหรืออะไรเขาแค่มีสมาธิกับการทำงานซึ่งมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะอาชีพอะไรถ้ากำลังจดจ่ออยู่กับอะไรมันก็เกิดสมาธิอยู่แล้วทีนี้ในสมาสมาธิเนี่ยเป็นความตั้งมั่นเป็นความตั้งมั่นไม่ใช่มีสมาธิอยู่กับการทำสิ่งนั้นนั้น แล้วบางครั้งก็หลงทำบางครั้งก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็มาทําความเข้าใจให้ถูกทีนี้ทํำยังไงว่าขณะที่กําลังมีความคิดอยู่แล้วจิตจะตั้งมั่นได้ก็อย่างที่ผมบอกนะี่อามานั่งมานั่งอยู่หน้าห้องแถว กลางสีลมไอกลางสำเพ็งเลยทำไมผมถึงใช้คำว่าสำเพ็งเพราะมันวุ่นวายคนทั่วไปก็จะรู้สึกมันวุ่นวายแต่ถ้าเรานั่งอยู่หน้าบ้านคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนเสื้อสีแดงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผู้หญิงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผู้ชายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขอทานผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไฮโซผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวผูกพันแต่ถ้าเมื่อไหร่อุ้ยคนนั้นสวยดีจังอาม่าลุกจากเก้าอี้เข้าไปถามว่าคุณชื่ออะไรมาจากไหนเหรอเอาละ่ะทีนี้จะก่อให้เกิดเนื้อเรื่องขึ้นมาจากนั้นจะก่อพบขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็าชวนอามาไปเที่ยวบ้านอามาก็ออกจากบ้านละ่ะทีนี้เออเขาเรียกส่งออกนอกละ่ะทีนี้ส่งออกนอกละ่ะก่อเป็นพบแล้วส่งออกนอกจะไม่รู้ตัวได้วนะ จะรู้สึกว่าตัวเองได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากคนคนนั้นคนนี้ได้ประสบการณ์มากขึ้นทีนี้หลุดออกจากเฟรมแล้วเพราะฉะนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอาไว้แล้วเราจะเห็นสปปรรพสิ่งก็แค่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปในเบื้องต้นแค่นี้แหละเหลือเฟือแค่นี้เหลือเฟือทําให้ได้ในเจ็ดวันเนี่ยตื่นขึ้นมาให้ได้คือถ้าไปลอเชื้อไว้อย่างที่ผมบอกเนี่ยนั่งสมาธิ ตั้งจิตไว้เลยนะอยากคิดคิดไปเลยกลัวเหตไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปดึงไม่เข้าไปรั้งไม่เชื้อเชิญแล้วก็ไม่ผลักไสไม่ใช่อยากจะนั่งคิดต่อหรือไม่อยากนั่งคิดต่อไม่ผลักไสไม่เชื้อเชิญไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายมันจะคิดก็คิดไป อยากคิดคิดไปเลยเราสงบอยู่ภายในไม่คิดไปเลยสำคาญแค่ของเกิดดับจะไปทำอะไรกับเขาจะไปทำให้เขาเป็นอะไรนะซความปวดเกิดขึ้นถ้ารรมชาติอยู่แล้วปวดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เพิ่งมาปวดตอนนี้จะไปอะไรกับปวดนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ต้องปวดอยู่แล้วให้มันเห็นเป็นอย่างนี้อยากปวดก็ปวดไปเลย เดี๋ยวมันก็ปวดมากเดี๋ยวมันก็ปวดน้อยเดี๋ยวมันก็ลืมปวดอเดี๋ยวนี้ก็ปวดแล้วก็นูลมของเราไปเผลอไปคิดอ่ะคิดจิตก็สงบอยู่อย่างนั้นะคิดก็คิดไปเดียปวดก็ปวดไปดิไม่เห็นจะต้องทุกข์ร้อนอะไรกับปวดตั้งมั่นอยู่ที่นี่ทําได้อย่างเนี้ยทําไปเรื่อยๆลืมตาก็สงบเหมือนเดิมอจบบลังแล้จะลุกขึ้นลุกก็ลุกไปสิก็ขยับไปจิตจิตก็ยังสงบเหมือนเดิมเดินไปก็ก็เดินไปตามปกติ สังเกตการเคลื่อนไปดื่มน้ำก็ดื่มไปจะชงอะไรทานก็ทานไปสัมผัสรสชาติก็แค่นเกิดชอบขึ้นมาอหลุดไปถึงชอบก็แค่ของเกิดดับแตะดิ้นรสชาติก็เกิดดับความรู้สึกต่างๆก็เกิดดับแล้วก็เดินไปนั่งพักสบายๆไม่ถึงก็ต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิกันตลอดเวลารู้สึกง่วงรู้สึกอะไรก็ไปล้างหน้าล้างตาก็เท่านั้นเอง หลังสักพั ก, กเดินพักผ่อนอิริยาบถออกเป็นเดินข้างนอกได้นะออกไปเดินข้างนอกได้นะออไ เ, ดไดเย็นๆหรือเช้าๆออกไปเดินพักผ่อนบา้างเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี่คอสตึกน้นเขาก็เริ่มไปกันหมดแล้วรวันปิดคอส ก, ก็จะเหลือแต่ของเราก็าไม่มีอะไรก็ออกไปใช้บริเวณข้างนอกได้นะเอาละสาหรับคืนนี้นะเราจะมา คือคอสต์นี้ผมจะอนุมานว่าหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่เคยเข้าคอสต์ผมมาแล้ว2ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เข้าคอสต์ผมมาท่านก็เคยปฏิบัติมากันอยู่แล้วจะหลักสูตรไหนไม่ได้มีปัญหาเลยนะผมว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะของโยบุตรหรือของใครเนี่ยอย่างน้อยก็เคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐาน4อยู่แล้วนะเป็นพื้นฐานหรือก็มีทุกหลักสูตรก็มีเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่แล้ว จะต่างวิธีการก็เอาเถอะไม่เป็นไรท่านจะทำแบบไหนผมก็ไม่อยากเดี๋ยวนี้นะคือผมสอนอย่างเดียวอนาปนาสติผู้เจ้าสอนอย่างนี้ผมก็สอนอย่างนี้อธิบายตามที่พระองค์สอนบอกท่านจะมีเหตุผลอะไรที่จะทำอะไรเอาเลยชั่วโมงนี้นะไปที่ไหนนะใช้คำเดียวเอาที่สบายใจทำเลยทำเลยทำไป ไม่มานั่งเถียงอะไรกับใครแล้วไม่มานั่งอะไรทั้งสิ้นแล้วจะทําก็ทําทําอะไรก็ทำไปแล้วทำจริงๆก็แล้วกันทําให้มันเะห็นจริงสักทีค่ะอย่ามัวแต่เหตุผลทํำให้มันเห็นจริงๆสักทีทีนี้เรามาดูเรื่องอัญญสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยคือหลักสูตรนี้เนี่ยนะผมตั้งใจไว้อย่างนี้นะ ในแต่ละตอนของการบรรยายเนี่ยถ้าสมมติผมตั้งนึกในใจว่าผมจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมจะพูดแค่เรื่องนั้นพูดจบปั๊บพอละคือการบรรยายที่ผ่านมาเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือมันจะโยงหลายๆเรื่องเข้ามาสร้างความเข้าใจแต่อย่างที่ผมบอกคือผมถือว่าท่านฟังกันมาเยอะและ้วเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้ถ้าผมจะพูดเรื่องอะไร คืนนี้หรืบตอนไหนไหนผมจะพูดเรื่องเดียวจะพยายามพูดเรื่องเดียวนะถ้ามันไม่จำเป็นต้องโยงมากเนี่ยถ้ามีโยงก็โยงบ้างนิดหน่อยแต่ผมจะพูดเรื่องเดียวเอาละเพราะฉะนั้นท่านจะได้ไม่สับสนยังเปิดคอร์สมาเนี่ยเป็นครั้งที่ผมบรรยายน้อยที่สุดนะครั้งนี้ตั้งแต่ผมบรรยายมาสิบปีเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยบรรยายเมื่อาบ่ายเนี่ยบรรยายน้อยที่สุดแล้วพูดอยู่ไม่กี่คาตอน่านท่านนั่งเองทั้งนั้นนะ แต่ผมูเนี่ยถ้าไปตัดคำพูดของผมเนี่ยตึกต๊กๆแล้วเอาที่นั่งสมาธิออกเหลือนิดเดียวผมว่าถึง10ิบนาทีว่ายัางไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะมาดูกันเรื่องกายกับใจสั้นๆง่ายๆฟังดูเหมือนทุกคนรู้จักมันเกิดอะไรขึ้น กายกับใจยกายกับจิตก็ได้เหมือนกันจิตมโนวิญญาณพระเจ้าตรัสว่าเป็นไวพสันการกั น, กนจะใช้คำไหนก็ได้จริงจะต่างกันบ้างก็คือถ้าเรากาลังจะพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับจิตเราก็จะใช้กายกับจิตถ้าเรามาในมุมของกายกับใจ เราก็จะพูดถึงเรื่องของใจคำว่าใจแล้วคนทั่วไปเลยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าใจอยู่แล้วทุกไหมล่ะทุกทุกที่ไหนก็ทุกที่ใจไงทุกคนเนี่ยเข้าใจเข้าใจคำคำนี้เป็นเบสิ c มาตั้งแต่เด็กๆทุกที่ใจเพราะฉะนั้นจัดการทุกก็จัดการที่ใจกายเวทนาจิตธรรมกาย เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะ่ยไม่ว่าจ ะ, ะปวดขาเรียกเวทนาทางกายพอปวดขาทุกใจไหมถูกใจเรียกเวทนาทางใจนะเพรา ะ, ะอยู่ในส่วนของใจถ้าพูดรวมๆเลยนะไม่แยกมากเนี่ยจิตเป็นนามธรรมจิตมีโทสะจิตอะไรเงี้ยอ่ะอยู่ในส่วนของใจนะธรรมารมณ์คืออารมณ์อารมณ์เอาง่ายๆก่อนอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการกระทบมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในส่วนของใจเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าแบ่งกันง่ายๆเลยเนี่ยกายกับใจถูกไหมเอาล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกายกับใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเราเข้าใจกายเวทนาจิตธรรมเราจะลามไปเข้าใจขันห้านะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่กายกับใจก่อนเรื่องง่ายๆแต่ง่ายจริงหรือเปล่า อาจจะใกล้จนมองไม่เห็นเลยมั้งวันนี้ทุกคนอยู่ในโลกมีการกระทบสมมติว่าท่านเห็นอาหารสักอย่างเพื่อนจะส่งมาหรือไปเดินเจอโอ้อน่ากินจังใจนะใจ ได้ยินเสียงคนด่าคนนินทาโกรธไหมโกรธเราโกรธนะเขาไม่น่าว่าฉันอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นพอมาปฏิบัติธรรมสมมติว่ามีคนทำเสียงดังขึ้นมาขณะเรากำลังนั่งสมาธิเราก็โกรธนะหรือเราอาจจะหงุดหงิดแล้วไม่ถึงกับโกรธ อาจจะรู้สึกงดกิจทำไมอะไรอยกระเด้งขึ้นมาเสียงกระทบปั้งแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้เห็นว่าเสียงกระทบเ ร, เรารู้สึกไม่ชอบใจเรารู้สึกไม่พอใจเพราะฉะนั้นถ้าผมจะให้อุ่นมือเนี่ยเป็นกายแล้วนี่เป็นใจรวมกัน เรียกว่าชีวิตเราก็สึกว่านี่เป็นตัวเราเป็นตัวเราชอบปุ่นมือไหมชอบนะชอบส่งสติกเกอร์นะทีนี้มีคนนินทามมีคนทำเสียงดังปับ๊บเสียงก็ทบหูปับ๊บวิ่งปื้ดเข้าไปที่ใจไม่ชอบใจ แต่เราไม่ได้เห็นว่าเสียงกระทบหูแล้วก็เกิดที่ใจปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะมันรวมทีเดียวเลยมันรวมทีเดียวดังนั้นคําว่ากายกับใจเนี่ยดูเหมือนทฤษฎีทุกคนเข้าใจได้โดยทฤษฎีแต่ในความจริงของการใช้ชีวิตเราไม่ได้เห็นอย่างนั้น นี่แหะคือปัญหาละพวกเราจึงเข้าใจทฤษฎีอย่างแจ่มแจ้งแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าชีวิตจริงๆเรารู้สึกยังไงขณะที่กําลังปวดขาเรารู้สึกไม่ว่าเวทนาทางกายเกิดขึ้นส่งผลทางเวทนาทางใจอืมปวดชิบเพไม่ไหวแล้วเราทนไม่ไหวแล้วคือ เราไม่ได้เห็นเวทนงวางเวทนาเลยรท่านนะเราก็รู้สึกว่าเราปวดมาหากเราทนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเรารวบของทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเลยเป็นเราเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละที่มันเกิดปัญหาละ่ะที่เราบอกว่าเราโอ้กายกับใจกายกับใจกายวทธานาจิตทำท่านไม่ได้เห็นหรอกบอกให้ทุกคนเห็นเข้าใจได้อย่างเดียวคือเรา การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมต้องมีสมาธิทำไมต้องการสัมมาสมาธิทำไมต้องการจิตตั้งมั่นทำไมต้องการตื่นเพื่อแยกความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ยออกไปสู่ความจริงเข้าใจยังออกไปสู่ความจริงเข้าไปเห็นความจริงตอนนี้ความไม่จริงคือความรู้สึกเป็นเรานี่คือความไม่จริงที่เกิดขึ้นเอาละทีนี้กายกับใจ ถ้าผมหรือใครก็ตามเดินออกไปแล้วเหยียบขี้หมานะไปเหยียบขี้หมากองหนึ่งเป็นขี้หมามาจากหมาท้องเสียจะเหลืองเหลืองเละๆแล้วมีกลิ่นน่ารังเกียจมีนอนด้วยตั้งแต่ผมเริ่มพูดว่าขี้หมา จนกระทั่งจากหมาท้องเสียขี้หมาในใจของท่านเริ่มเปลี่ยนเป็นเละจากนั้นพอผมบอกสีเหลืองมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสักพักเหม็นขึ้นมาเลยแล้วมีหนอนพอผมบอกมีหนอนขี้หมาในใจท่านก็เริ่มมีหนอนละเห็นเรียังไม่เห็นนะ <c oughs> ลือเออจริงเวย้ยรู้จักใจของเราไหมมันค่อย กากากากากากาปงุปงปงปรุขึ้นจากเสียงที่ได้ยินแล้วมันก็สร้างสร้างขึ้นมาเห็นไหมถ้าผมพูดต่อไปเรื่อยๆท่านจะเริ่มขี้อยากแย่งนในขี้หมาขี้หมาเข้าไปอยู่ในใจเราเรียบร้อยแล้วอยู่อยู่ท่านก็ไปอัญเชิญขี้หมาเข้ามาไว้ในใจซะนั้น แล้วก็ขยะขยะใจท่านเริ่มสกรปรกโดยไม่จําเป็นเลยนี่เรื่องง่ายๆนะถ้ามีคนนินทานท่านจะเอาคำนั้นมาปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นขึ้นมาในโลกของท่านเองโลกในใจเอาละกลับมาที่คนเหยียบขี่หมาใหม่หรือว่าพวกเราเหยียบขี่หมาเนี่ยโทษนะผมทำให้ด นะสมมติว่าสมมติว่าขี้หมานะเหยียบแปดด้นะวยเหยียบขี้หมาขี้หมาติดอยู่ที่รองเท้าผมเนะี่ยขี้หมาเนะี่ยเท้าผมเนะี่ยเหยียบขี้หมานะมันพูดอะไรไหมคนที่รู้สึกว่าอีขยะแข็งทีงไง่ไหคือ ใจใจเนี่ยลงไปโดนด้วยไหมกายบน่นไหมไม่รู้เรื่องต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องแค่รู้สึกรับรู้ตามปกติทำตามหน้าที่งานนี้ขี่หมาเนี่ยไม่ได้เปื้อนที่เท้านะงานนี้ปี่ขี่หมาเนี่ยเปื้อนใจแล้วก็เริ่มรู้สึก ก๊อกอยู่ไหนวะนะขาอยากไปไหมเฉยๆคือไม่เดีวอิโดอินเน่ดีกว่าถ้าสมมติจะเดินทางต่อแล้วเดินไปเลยเนี่ยไม่ล้างเลยเนี่ยขาจะบ่นไหมไอ้เท้าที่ก็ไม่บน่นแต่ใจจะรู้สึกกึกกระลึกกระลึกะลเมื่อไหจะก๊อกอยู่ไหนวะเดี๋ยวก็พยาธเข้าเท้าพอดีพยาธจะเข้าไม่เข้าเกี่ยวอะไรกับมันไหมอาจจะเข้าไปแล้วก็ได้ หรือไม่เข้าก็ไม่รู้หรือมันก็ไม่ได้มีพยาธิอะไรแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยปั่นปวนไปหมดแล้วปั่นป่วนไปหทุกี้ยังทุกแล้วนะทุกแล้วนะอะสมมุติว่ามีเหตุอะไรน้ําเนิ่มก็ไม่มีไปอยู่ไปกลางเต็นต์กันเขาใหญ่อย่างเงี้ยไม่มีแล้วน้ําเข้านอนเลยนอนอยู่ในเต็นต์ในใจก็จะวงเวียนเวียนวนอยู่ไอ้ขี้หมาเนี่ยนอนพี่คือนี่นอนพี่หลับเลยมันไม่ได้ล้างเท้าเลยก็ปก ขาไม่รู้เรื่องเลยไอเนี่ยกระสับกระสายกระสับกระสายถึงตรงนี้ท่านอะวะอาจารย์ตกลงต้องล้างไ้มเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆเข้าใจทีละตอนนะอย่างโง่ขนาดนั้นเนละ <c oughs> ถ้ามีน้ำก็ไปล้างเถอะ <c oughs> ชักงงๆตกลงอ่ะขาไม่บ่นนี่ต้องล้างไหมเนี่ยนะถ้างั้นฟันเ ฟ, ฟินก็ม่ตนองแปงกันแล้ว <c oughs> ฟังทีละตอนให้เข้าใจทีละเรื่องแล้วเดี๋ยวใช้ปัญญา ม, มารวมกันพอสมมุติว่าเราเดินไปเจอกอกน้ําล้างเสร็จเออเขาเห็นชั่วหนสส่อยสะอาดแล้ผมถามว่าล้างเท้าหรือล้างใจเมือ่อกี้เนี่ยเนี่ยเห็นยังเออน้ํานี่มันล้างใจได้ด้วยนะถ้าเป็นเซนก็คนถามเลยเมือ่อกี้ล้างเท้าหรือล้างใจ ล้างเท้าดวเท้าเปื่อนเซนจะเดินผ่านเลยนี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าไม้กูละโง่ปานนี้เนี่ยกลับไปทําทานเถอะไปเอาแล้วนะสรุปแล้วเราชักเท้ากับใจขี้หมาเปื่อนเท้าถ้าใจไม่ทุก คือไม่ได้ดั่งริเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นมากนะักเหยียบก็เดี๋ยวเจอน้ำค่อยล้างทุกก็ไม่มีแต่เจอน้ำก็ล้างไปล้างให้สะอาดแล้วก็คือจะเห็นความจริงก็เหยียบขี้ดินเหยียบแะ้วเหยียบพระเดินออกไปบินธบาทอยู่เราก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตกันขนาดที่โอ้โหเอามาเต็มหัวอกหัวใจอะไรอย่างนี้นะ แต่เราเนี่ยชอบทำเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาในใจอ่ะเข้าใจไหมเพราะเราไม่รู้จักว่าใจคืออะไรเรานึกว่าเนี่ยเราผสมโลงด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่เกิดไอที่บอกว่ากายกับใจกายกับใจจริ ง, รงๆเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรู้จักเลยนั่งปวดขาเนี่ยผมแนะนำนั่งสมาธิเนี่ยนะ ผมเคยแนะนำผมเคยพยายามจะบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยหรือปวดขาเนี่ยมันก็แค่เอาแสงไฟมีกระจกีอะไรเนียก็แค่แสงไฟในกระจกจะกระจกมันร้อนไหมเขาบอกวไม่ร้อนแล้วคุณร้อนใจทำไมอ่ะก็แค่การรับรู้ธรรมดากระจกก็เหมือนอการรับรู้ธรรมดาว่ามีสภาพปวดเกิดขึ้นแล้วจะไปร้อนใจทำไมในเมื่อกระจกก็ไม่ได้ร้อนใจ ยิ่จิตการรับรู้ปกติเขาไม่ได้ร้อนอะไรถ้าเราไปปรุงขึ้นในใจเป็นขาของเราเป็นปวดของเราเราปรวดขาเราจะทนไม่ไหวนะพอยิ่งปรุงนะความปวดสมมติอยู่ที่3แมแต้มมันจะกลายเป็น 6-7 แต้มเลยเพราะใจมันร้อนรนร้อ น, ร, อนรุ่มทนไม่ไหวแล้วนะดังนั้นเราจึงต้องกลับมารู้จักก่อนว่าใจคืออะไรถ้าพื้นไม้นี้เนี่ย เป็นไม้ราคาแพงจากต่างประเทศเนี่ยเท้าเหยียบลงไปเนี่ยมันรู้อินโนอินเน่ด้วยไหมว่าเท้าไอ้ไอ้ไม้นี่มันยี่ห้ออะไรมันมาจากประเทศไหนอะไรหรือหินอ่อนอิตาลีหินอ่อนพานกาต่ายอะไรเนี่ยไม่รู้อินโนอินเน่เลยเท้าเนี่ยแต่คนที่โอ้โหหินอ่อนสวยจริงๆมาจากที่นี่คือใจทั้งนั้นเลยจะย้อนกลับมาที่กระเป๋าก็ได้ ถ้าพวกเรานะผมก็ไม่รู้จะใช้คําว่าพวกเราได้ไหมแต่เนมะื่อคนทั่วไปซื้อกระเป๋าร้อยเ้าความรู้สึกที่มีต่อกระเป๋าก็คือความรู้สึกถูกต้องสัมผัสที่ตรงนี้แค่นั้นเองเนี่ ย, ยถ้าดึงเห็นก็จะเห็นว่ามันถูกต้องสัมผัสอยู่ตรงนี้นะแค่นี้ถ้าท่านห้อยกระเป๋าไปทํางาน ห้อยกระเป๋าไปซื้อใหม่เปลี่ยนเป็นแอมเมสห้อยที่เดิมเนี่ยตรงนี้ความรู้สึกก็อยู่แค่เท่าเดิมเนี่ยนะโดนแค่ตรงนี้นนนนนแต่แอมเมสอยู่ที่ไหนทีนี้นี่โ oh, so อ้ยสุดยอดปื้ม ฝากเพื่อนซื้อมาจากเมืองนอกขึ้นรถไฟฟ้าต้งขึ้นท่านี้คนได้เห็นชัดอเอาทำไมไม่จับข้างนี้อ่ะมาจับต้องจับข้างนี้ก็จะได้เห็นแกว่งต้องแกว่งด้วยเวลารถไฟฟ้าเบรคจะได้แหวนแกว่งคนจะได้เห็นชัด ไปถึงที่ทำงานป้าเพื่อนโทรบอกเป็นไงกระเป๋าเธอโอ้สวยปื้มมากขอบใจมากนะเออฉันจะบอกเธอว่าฉันเอาใบาผิดให้เธอไอใบนั้ น, น ก, ก๊อปเกตเอไอของเธอนะ่ะที่ฝากซื้อมาแปดแสนเองอยู่ที่ฉันเลยเอาเหรอไอ น, นี่ของฟอร์มอะใจก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วไม่ถือหรอกของฟอร์มอา้ายังปื้มอยู่เมื่อกี้นะ ทีนี้ไม่ปรุงแล้วพอไม่ปรุงไอ้กระเป๋าใบเดิมที่ปื้มเมื่อกี้ขึ้นรถมาเนี่ยไม่ปื้มแล้วนะผมถามว่ามันอยู่ที่กระเป๋าเหรอหรือมันอยู่ที่หรืออยู่ที่นี่นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ ว, วันนี้เราไม่ได้ซื้อกระเป๋ามาหรอกนะเราซื้อโง่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะแล้วเดี๋ยวโดนอีก เพราะฉะนั้นง่ายมากถ้าผมไปทำมาร์เก็ตติ้งให้บริษัทกระเป๋าเนี่ยังมาจากไหนนะสร้างความรู้สึกทึ่เขาก็ททำมันอยู่แล้วแหะให้มันเกิดขึ้นในใจผู้คนให้ได้เขาไม่ได้ขายของเขาขายความรู้สึกภาคภูมิใจในของเท่านั้นนะ่ะ มันไม่มีกระเป๋าที่ไหนมันจะสร้างมาจากหนังวัวที่พิสดารกันมากมายขนาดนั้นหรอกมันต่างกันไม่มากหรอกใบนึงอะหนังอิตาลีอดีที่สุดมันก็อิตาลีนั่นแหละนะแต่มันมาสร้างทุกอย่างที่นี่มันไม่ได้สร้างที่ตัวนี้มันสร้างที่นี่ของจะราคาแพงราคาถูกมันสร้างที่นี่เพราะฉะนั้นปัญหามันเริ่มอยู่ที่นี่ละปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกละค่อยๆดูอย่างนี้ให้ออกก่อน เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาดูเรามาดูความหมายในกายเวทนาจิตธรรมหน่อยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินกายยานุปัสนาสติปฐานเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงกายไม่ใช่บุคคลเราเขาวันที่ผมมาสู่การปฏิบัติครั้งแรกๆเนี่ยผมงงมากนะ ผมงงมากผมงงน่าจะคำที่หนึ่งแล้วกายในกายเื่อยวะเรารู้จักคำว่ากายเนี่ยมานานแล้วแต่เราไม่เคยรู้จักคำว่ากายในกายมันเป็นยังไงอะกายในกายเนี่ยผมนั่งฟังธรรมมาน่าจะห้าปีปฏิบัติในช่วง แ, แรกๆอะปีจำไม่ได้ละสี่ศูนย์ ต้อสีู่นย์ถึงสี่ห้าประมาณนะี้เวลาเข้าคอร์สไหนก็พูดกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาคืออะไรวะเป็นทฤษฎีหรืออะไรห ร, หรือให้เราทำความเข้าใจแบบนี้หรือแบบไหนแล้วมันเป็นยังไงอะไรคือผมองงมากนะ ท่านอาจจะไม่ค่ออาจจะไม่งงก็ได้นะเอาละ่ะแล้วมันไม่ใช่บุคคลเราเขายังไร <c oughs> แล้วถ้าแขนขาดาแขนขาดแล้วไม่ใช่แขนเราแล้วแขนใครอะแล้วแล้วเราจะทุกข์ไหมทุกข์สิขาขาดก็ไม่ต้องขาขาดหรอกแค่นั่งปวดขายัางทุกข์เลยอย่าว่าถึงขาขาดเลย นะขาดคงร้องไห้แล้วมั้งนะไม่ใช่บุคคลเราเขายังไงเอาะนะนะเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ท่านก็คงอาจจะไม่เข้าใจแบบที่ผมไม่เข้าใจก็ได้กลับมาที่ขี้หมาใหม่นะดูนะเราจะโยงเข้ามานะเหยียบขี้หมาปั๊บ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขี้หมากับเท้านะตอนนึกออกแล้วนะปัญหาอยู่ที่ใจไปรู้สึกว่าเราเหยียบขี้หมาถ้าเราเข้าใจความจริงคือถ้าใจมันไม่ปรุงอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเหยียบลงไปอ่าเหยียบขี้หมาก็รู้อยู่แล้วว่าระยะเวลาจากการเหยียบขี้หมาจนถึงก๊อกน้ำเนี่ยถ้าถ้าเราบอกว่า ตายเท้ามันจะทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนาทีไปถึงกๆๆๆๆๆๆแล้วก็ๆๆๆๆค่อยๆๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆขๆ้ๆมาๆๆๆๆมๆๆนๆๆีๆๆเหๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆนเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ในระหว่างสิบนาทีนั้นมีทุกไหมเรื่องมีแค่นี้เรื่องมีแค่นี้แล้ววันนี้ทุกทำไมอยังไงอะทุกทำไมทุกตอนไหนทุกตอนมันปรุงว่าอูเหยียบที่มานี่แหละ แล้วถ้ามันไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเท้าก็เหยียบลงไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปล้างแล้วก็จบทุกไม่มีเริ่มเข้าใจตรงนี้ก่อนจากนั้นแล้วมันคืออะไรเอาละเข้าใจละถ้าอย่างนี้ไม่ทุกถ้าอย่างนี้ไม่ทุกได้เว้ยนะถ้าอย่างนี้ไม่ทุกได้แล้วมันทุกมาจากอะไร ด้วยความรู้สึกที่มีมาก่อนว่าเท้าเนี่ยเป็นเทา้ากูซึ่งฝังรากลึกมานานทันทีที่สัมผัสเกิดขึ้นปั้งวิญญาณจะเข้าไปยึดนะหลังจากนั้นเท้าเริ่มเป็นของกูละ เมื่อเท้าเป็นของอูผสมลงกับขี้หมาที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นของสกรปรกน่ารังเกียจขึ้นมาในใจไม่ได้เห็นสภาพดินน้ำไฟลมก็จึงเกิดความรู้สึกขยะขยงขึ้นมาในใจค่อยๆปรับพับพับพับขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นเริ่มเกิดความรู้สึกไม่พอใจเรียกว่าเวทน า, ทาเวทนาทางใจ ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบจึงเกิดตันหาอยากจะผลักสไล่ส่งเมื่อเกิดตันหาพูะที่กําลังสายไล่ส่งเนี่ยวินาทีแทบจะติดกันเลยเกิดความยึดเข้าไปในสิ่งนั้นเลยยิ่งเกลียดยิ่งยึดรวยด้วยท่านเกลียดผู้ชายคนหนึ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดกิเลสคนที่ขณะที่กําลังพูดเนะ่ยยึดเข้าไปเต็มลักเลยเพราะถ้าคนไม่ยึดไม่พูดไม่ได้รู้สึกก็ไมพูด แต่เพื่อพูดเมื่อไหร่เฮ้ยฉันไม่ชอบมอันหรอกนะไม่ได้คิดอะไรหรอกทาไม่ได้คิดอะไรไม่พูดหรอกนะมันคิดแล้วทุกคนนะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความยึดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็จึงก่อความทุกข์ขึ้นมาในระหว่างนั้นจนกระทั่งสามารถไปล้างได้มันจึงลดตันหาที่กำลังบีบคั้นในใจลงเมื่อตันหาลดลงในใจเพราะเหตุมันเปลี่ยน ก็รู้สึกสบายขึ้นก็ไปตีความมันว่าค่อยมีความสุขหน่อยเมื่อกําลังเมื่อกําลังร้อนแล้วความร้อนลดลงก็ไปเรียกมันว่าเย็นเท่า น, นั้นเองเมื่อตันหากําลังบีบคั้นมันร้อนเมื่อลดเมื่อไปฉีดน้ําล้างตันหาที่จะผลักดันก็เริ่มลดลงก็บอกว่ามีความสุข เรื่องมีแค่เนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ใช่บุคคลเราเขาเนี่ยมันเป็นเราเขาขึ้นมาเป็นเท้าของเราเป็นกายของเราเพราะใจเป็นคนบอกถูกไหมจ๊ะใจเป็นคนบอกปัญหาอยู่ที่เนี่ถ้ามีการปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การชําระความเห็นผิดว่ากายนี้ ไม่ใช่ของเราใจจะไม่เข้าไปยึดกายนี้อีกเห็นเป็นสภาพธรรมชาติกายก็ทำงานไปใจก็ทำงานไปตกลงต้องล้างไหมเจอก๊อกก็ล้างไปดิแล้วถ้าไม่สบายาาสมมติว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ขา ปวดขามากถ้าผู้ที่เห็นความจริงเห็นว่าสภาพปวดก็มีอยู่ถ้าใจไม่เข้าไปยึดก็แค่ของที่เป็นตามธรรมชาติกายก็ไม่ได้อิโนอิเนว่ามันบอกว่ามันเป็นมะเร็งมันก็ทำหน้าที่ของมันเต็มที่ขณะที่กำลังพูดมันก็คงทำหน้าที่ของมันส่งเม็ดเลือดขาวส่งอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องของมันถ้าที่มันทาได้ เราจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันก็ทาํางานมันไปถ้าสมมติถ้าเป็นมะเร็งจากอาหารที่เรากินเข้าไปเมื่อห้าปีก่อนมันเป็นสารก่อมะเร็งจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นมะเร็งมันก็ไม่เคยบ่นว่าว่าเรานั่นแหละที่ไปเติมอาหารเข้าไปมันก็ไม่พูดอะไรมันก็ทาํางานมันไปแก้ไขปัญหามันก็แก้ด้วยวิธีของเขาไปวิธีที่ร่างกายก็ทาํางานเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่ได้เข้าไปยึดถือ ใครจะเป็นคนทุกข์เพราะฉะนั้นสภาพบุคคลเราเขาที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยในพระไตรปิฎกที่พุทธตรัสเนี่ยเพราะด้วยความไม่รู้เราไปเอาสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็บอกในใจของเราเองว่านี่เป็นของเรานี่เป็นตัวเราวันนี้ก็เลยงงแล้วไม่ใช่ของเราแล้วของใครไม่ได้เป็นของใครแล้วเราอยู่ที่ไหนแล้วถ้าไม่มีเราแล้วเราอยู่ที่ไหน ท่านคิดหรือว่าท่านมีเราทั้งวันขณะที่กําลังฟังผมเนี่ยรู้สึกมีเราไหมไม่มีวินาทีที่ท่านกําลังฟังผมจริงๆเนี่ยท่านก็ฟังข้อมูลก็เข้าไปกระทบหูแล้วก็ท่านก็นั่งคิดตามหรืออะไรตามท่านไม่ได้มีเรานะมันเป็นการกระทบแล้วก็การทํางานตามปกติอ่ะท่านบอผมกำลังบรรยายอยู่มีคนลืมปิดโทรศัพท์กริ้งขึ้นมาเนี่ยหันไปปั๊บ เกิดความไม่พอใจตอนนั้นทำท่าเราจะเกิดล่ะแค่นั้นเองสมมติว่ามีสติเข้ามาฝึกเขาปิดโทรศัพท์เ่าปิดแล้วก็ลืมไปแล้วก็นั่งฟังต่อสภาพเราก็จางหายไปแล้วก็หายไปเนี่ยถ้าผมอยู่ๆผมถามว่าอตอนนี้ไม่มีเราเนี่ยนั่นตายไหมก็ไม่มีเราก็ไม่ไม่ทุกข์ดีออกนะแต่มีเราทีไรทุกๆ ท, กทีนะพอมีเราทีไรทุกๆ ท, กทีนะ ตอนเนี้ยไม่มีเราไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วพออยู่ๆก็บอกเอ้าแล้วถ้าไม่มีเราจะเป็นใครก็เป็นอย่างนี้ตอนเนี้เป็นใครล่ะก็ไม่ได้เป็นใครแต่พอมันนึกขึ้นมาเอ้าเป็นแม่บ้างเป็นลูกบ้างเป็นเจ้าของฉิดจัดการบ้างเป็นลูกจ้างบ้างเอ้าเป็นขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยมีนู่นนี่กระทบกันเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตอนไม่มีเราปัญหาเนี่ยมันอยู่ตอนที่มีเรา แล้วตอนที่มีเรามาจากความเข้าใจผิดที่ใจเนี่ยไปสร้างขึ้นมานะให้เห็นตรงนี้ก่อนไอ้ส่วนทางออกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะทางออกมีอยู่แล้วพระเจ้าตรัสรู้ก็คือทางออกจากสิ่งเหล่าเนี้ยสิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดเพราะฉะน้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในีกายคือเข้าไปเห็นความจริงไม่ใช่สร้างความรู้ใหม่นะ อย่าเข้าใจผิดนะวันนี้มีคนเข้ามาศึกษาเนี่ยเพื่อจะสร้างความรู้ใหม่ทั้งๆ ท, ที่ของเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมในวันที่คนเชื่อว่าโลกนี้แบนเนี่ยโลกนี้แบนไหมแต่เขาเชื่อว่าโลกนี้แบนสมมติคนทั้งโลกเลยเชื่อว่าโลกนี้แบนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยโลกมันอยู่อย่างเนี้แล้วก็มีคนเนี่ยเชื่อว่าโลกนี้แบน ท่านท่านที่เหยียบอยู่ในสภาพเนี้วันหนึ่งโหเข้าใจแล้วมันไม่ได้แบนมันกลมโลกมันต้องเปลี่ยนจากแบนเป็นกลมให้เราไหมไม่มันอยู่ของมันอย่างนี้แล้วโอ้ยมันถ้าคนบอกว่าเราเข้าใจผิดถูกแล้วเราเข้าใจผิดแค่เราเข้าใจถูกแค่นั้นเองมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะวันที่เราบอกว่าเนี่ยเป็นเราเนี่ย เรากำลังยืนอยู่บนโลกใบเนี้ยแต่เราไปรู้สึกว่ามันแบนคือความเห็นผิดถูกไหมละ่ะความที่คือความรู้สึกว่าโลกเนี่ยที่มันกลมอยู่เนี่ยแบนเนี่ยพระเจ้าเรียกว่ามิจฉาทิฐิคือทิฏฐิที่ผิดเมื่อมันทิฏฐิมันผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยทําอะไรมันก็ผิดหมดคิดอะไรมันก็ผิดหมดเพราะมันคิดว่ามันเป็นกูหมดคิดเป็นโลกแบนหมดมันจะคิดทฤษฎีอะไร มันไปเบสที่โลกแบนหมดเนี่ยทำยังไงมันก็ผิ ด, ผดหมดธิกี่ทฤษฎีก็ผิดหมดะจะเลิศหรูแค่ไหนจะไอสไตล์แค่ไหนถ้ามเข้าใจว่าโลกนี้แบนเนี่ยมันคิดอะไรมันก็คิดผิดออกมาก็ไม่มีสำเร็จสักทฤษฎีเพราะมันผิดจากความเริ่มจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้พอเห็นถูกขึ้นมาโพงโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนมันก็เป็นมันเหมือนเดิมเแหละไอนี่ก็เหมือนเดิม วันหนึ่งรู้แจ้งขึ้นมาเอ้าประโถเอ้ยมันไม่ใช่เรานี่มันเคยต้องเปลี่ยนไหมล่ะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันก็เป็นก็มันอย่างนี้ทํามาตั้งนานแล้วถ้ามันพูดได้บอกเอ้ามึงเพิ่งรู้อ่ะกูไม่เคยเป็นมึงมาเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูไม่เคยเป็นมึงเลยมึงว่าเป็นกูเป็นมึงได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดไม่มีเถียงกันเลยสักคนกายก็ทํางานไปใจก็ทํางานไปแต่ใจมันโง่ไงมันเข้าใจผิดทีนี้เมื่อเกิดความเข้าใจถูกผู้เจ้าก็ จากคำว่ามิจฉาทิฏฐิก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิไห่ของที่คว่ำไงก็ไายของที่คว่ำที่ความเข้าใจไปทั้งหมดมันก็ไายของที่คว่ำเขาไหยของที่คว่ำก็เข้าใจถูกเพราะเข้าใจถูกสงมติว่ารนนี่กําลังเป็นมะเร็งอยู่แล้วพอเข้าใจถูกขึ้นมาพระโหนี่ไปทุกข์ทำไมแล้วก็มันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมัน่ะ โอ้ยแล้วทําไมฉันไม่อยากตายมึงตายอยู่แล้วไม่เป็นมะเร็งก็ตายอยู่แล้วก็ตายกันทุกวันเห็นตายกันทุกวันไม่ต้องเป็นมะเร็งเนะ่ยตายกันทุกวันก็ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ธรรมดาดิทําไมเกิดในคนในครอบครัวแล้วมันไม่เคยธรรมดาเลยละ่ะก็เพราะเราจะไม่ให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเลยนะใจของเราเฉยๆที่จะไม่ให้เปลี่ยนแปลงอนะ่ะแต่สรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่เคยถามใจเราเลยนะวันนี้ไม่อยากให้ฝนตกเลยพอดีตากผ้า ผ้าปูที่นอนด้วยผ้าห่มด้วยเดี๋ยวก็ไม่แห้งพอดีแล้วถ้าฝนมันตกอะมันถามไหมล่ะหรือว่ามันต้องสนใจไม่ว่าใจเรารู้สึกยังไงแต่มีอีกบ้านหนึ่งที่เขาปลูกต้นไม้ไว้เขาอยากให้ฝนตกไม่ก็ตีกันเลยเนี่ยพยายว่าฉันไม่อยากให้ฝนตกอ่ฉันตากผ้าอยู่เฮ้ยไม่ตกได้ไงเพิ่งปลูกต้นไม้ทุบกันทุบตับทุบตับฝนมันจะตกไม่ตกมันไม่สนแล้วมันจะเตียนให้ตายแล้วมันก็ไม่สนนะ มันไม่ไไม่มีเกี่ยวอะไรกับโลกเหงือกเลยฝนมันจะตกก็ตกตามเหตุปัจจัยเอกคนมันไปคิดเอาในใจของตัวเองเฉยเฉยแล้วใจจริงที่ไหนอ่ะใจจริงที่ไห น, จจไหนมันไม่มีจริงเลยสร้างอะไรขึ้นมาก็ชั่วคราวสร้างอะไรก็มาชั่วคราวเดี๋ยวก็ลืมแล้ ว, ลวเปลี่ยนไปเรื่องอื่นอีกวันนี้ก็รั ก, เ ด, ก, ก, ก, ก, นนกเดี๋ยวก็อีกวันก็ไม่รักละวันนี้ก็ชอบเดี๋ยวอีกวันก็ไม่ชอบแล้ะมันเปลี่ยนไปไม่ได้หยุดเลยแล้วมาเชื่ออะไรใจตัวเองฮะโอ้ ชาตินี้เราจะไม่แยกจากกันแลแพ๊บเดียวแค่นั้นเองไม่เห็นฝุ่นเลยนะนางร้องไห้อยู่ไม่กี่วันแล้วมีอีกคนแล้ะเงี้ยเพราะฉะนั้นใจนะไม่ต้องไปห่วงหรอกเกิดเกิดดับดับไม่มีที่สิ้นสุดนะตามได้ที่มันยังโง่อยู่เพราะมันหมดโง่แลนะ้วทีเนี้ยมันนิ่งเลยนิ่งเลยคืนสู่ธรรมชาตินี่นิ่งเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรอีกเลยนะเออเขายังชั่วหน่อยนะอย่างนั้นอะ อย่างนั้นเ่าคอยเป็นสงบสันติจริงหน่อยอย่างนี้นี่ไม่ไหวนะอย่างนี้เกิดดับไม่ได้หยุดยนี้เกิดดับไม่ได้หยุดเพรานในเบื้องต้นเนี่ย น, นี่เบื้องต้นนะน่ะนะนี่ให้เข้าใจให้ได้นะวันนี้เข้าใจอ๋อกายกับใจถูกต้องแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจ ร้อนั้ยตอนนี้ตอนนี้ร้อนหรือเย็นหรือหนาวหรือไฮะปกติเฉยๆใครบอกเฉยๆใ จ, ๆใจแล้วถ้าผมรู้สึกว่าผมร้อนก็คือใจผมแค่นั้นเองที่มันบอกว่าร้อนแล้วพอผมรู้สึกว่าร้อนแล้วผมร้อนใจเนี่ย น่าจะเล่งแอรอกอผมก็จะเดือดร้อนอยู่แต่คนอื่นเขาปกติไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยเไหมถ้าผมกำลังทุกข์ผมกาลังนรกผมผมกำลังนรกของผมเนี่ยผมก็นรกของผมคนเดียวเนี่ยท่านก็ไม่ได้ลงนรกอะไรกับผมด้วยท่านก็อาจจะเออฉันก็ร้อนนะแต่ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ร้อนก็ร้อนเด็กายรู้สึกไม่ร้อนรู้สึกแล้วถ้าใจมันไม่ร้อนบีบคั้นมันจะเดือดร้อน อเรื่องมีแค่นี้ถ้ามันเข้าใจความจริงก็สมมุติว่าเราจะบอกให้ว่ามันก็อุณภูมินะันเะมันจะมากบ้างน้อยบ้างมันก็ธรรมดาละ่ะหรือท่านอาจจะรู้สึกวงแครนี้ก็ดีแล้วออกไปข้างนอกร้อนกวน่านี้นี่เขาเปิดแอร์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็จบลงไม่ง่ายๆค่ะใช่ไหมแต่ก่อนหน้าเนี้เรื่องมันจบยาก เรื่องมันจบยากหนึ่งก็คือใจของเรานี่มันไม่ยอมสิ่งที่มันไม่ยอมมาจากไหนรู้ไหมเพราะมันรู้สึกเป็นตัวตนมันได้เข้าไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาพอมันเป็นตัวตนเนี่ยมันจะให้ได้ดังใจเราท่านอยู่ตรงนี้ท่านไม่รู้สึกหรอเปลี่ยนกลับไปนั่งที่บ้านใหม่สิย้ายกลับไปแค่เมื่อวานเนี่ย แค่นั่งดูทีวีกับแฟนกับลูกกับเพื่อนกับอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ไม่เราไม่ได้พูดเึงเรื่องกายกใจล่ะมันพูดเรื่องว่ากูกับมึง่ะนะไม่มีกายกใจมีแต่กูกับมึงนะขอโทษนะผมไม่ได้พูดหยาบอะไรดันนะตัวกูของกูอะไรเงี้ยนะมีแต่กูแล้วก็มึงเนี่ยแล้วมึงเนี่ยไม่ค่อยได้ดังใจกูเลย เพราะเราได้สร้างใจของเราแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาล็อกเอาไว้คนหนึ่งในใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันถึงจะพึงพอใจเหมือนเราซักผ้าตากเราก็อยากให้ฝนไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาไว้ฉันเก็บผ้าเมื่อไหล่ล่ตกไปเหอะเพราะฉะนั้นใจของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีจริงเลยเอาแล้วถ้าคิดเรื่องจริงนะอาจารย์เอาที่ปรุงก่อนเอาที่ปรุงก่อน เรื่องจริงมีไม่ต้องคิดอะถ้าเรื่องจริงนะไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคิดจริงก็จริงเลยไม่ต้องคิดว่าจริงหรอกของจริงยไม่ต้องคิดไอ้ที่คิดเนี่ยไม่จริงเพราะฉะนั้นเรากําลังสร้างอะไรขึ้นมาในใจเอาละผมจะยังไม่ลามไปตรงนู้นนะเอาแค่กายกับใจให้มันเข้าใจแค่นี้ก่อน เดี๋ยวคืนนี้ท่านภาวนาไปนะพอจะนอนเอหลังนอนเคยเราเอาเราเคยเปิดแอร์ทุกวันถูกไหมอยู่บ้านเปิดแอร์ไม่มีแอร์เลยนะ <c oughs> เริ่มสับอันะอนี้ดีมีพัดลมใจของเราพูดไปเรื่อยๆนะกายยังไม่ได้พูดเลยนะ กายนไม่ได้พูดนะเนี่ยนั่งเนี้ยที่ท่านบอกไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ย ว, วลองดูแล้วกันนอนอ๋อยไม่ร้อนเลยมันเหงื่อแตกวะนะปากบอกไม่ร้อนแต่เหงื่อมันแตกมันถามไหมเราเขาก็ทํางานเขาทำหน้าที่ไปกายเขาก็ทํางานของเขาไปถ้าจะภาวนาก็เห็นลเลยมันก็ทํางานมาเหงื่อมันก็ไหลเลยอุณหภูมิแบบนี้อะไรอย่างนี้มันก็ไหลออกมาอาพอเปิดพัดลมเย็นเข้ามาที่กายใจมันเย็นด้วยนะ ใจไม่ได้โดนด้วยนะลมอ่ะใจเป็นนามนะเย็นให้ช่วยหน่อยกูนะแต่กายนะ่ยไม่พูดไอ้ใจน่ไม่ได้โดนลมอ่ะเขาแต่พูดเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาไปสักพักก็อืมก็แปลกติ้งกันไว้นะเอานะเอาให้เห็นเงี้ยนะแล้วก็ระวังภาวนาก็ความคิดจะเกิดขึ้นก็มันก็คิดทั้งมันอยู่แล้ว ถูกปุุงมันก็คิดดิเน้นอย่าไปยินดียิน้ายอะไรกับมันมากสงบสงบอยู่มันคิดคิดไปเถอะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะค่อยๆเข้าใจเมื่อท่านไม่เข้าไปยึดถือเนี่ยเรื่องราวจะเปลี่ยนไปอีกคนละม้วนเลยคนละมวลล้วนเดินตามเส้นนี้ก่อน วันที่เจ็ดค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อแต่ถ้าเดินตามอย่างนี้จะรู้เลยว่าชิบเป็นมีหน้าละที่ปฏิบัติมาทั้งหมดถึงลบกับตัวเองลบกับตัวเองเพราะกิเลสสร้างความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมานี่แหละ ไม่ต้องไปคิดเพียนเพ่งเผากิเลสหรอกเผาตัวเองให้ได้ก่อนนั่นแหละตัวกิเลสลอะไรก็เอามาเป็นเราหมดนั่นแหละกิเลสความเคยชินทั้งหมดผูดขึ้นมาไม่ได้หยุดอนะ่ะเจ็ดวันเนี้ค่อยดูแหละอยู่ในข้อวัดไว้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันต่อเรื่องของกิเลสเนี่ย ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดยากกว่าที่เราคิดเยอะ <c oughs> อึาอเค